จกักืวันนั่งคื น, นกลางตั้งใจกว่าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปการภาวนา mm hmm. ดูความละเอียดของจีตเล็กที่มันดึงคอยดึงจิตลราออกดูความละเอียดของกิตเล็ที่มันคอยดึงจิตเราออก พอมันึ่งบอกไปแล้วมันก็ทิ้งคำอาพุธโธพุธโธนิธโมสังโฆนิพัทมันจะทิ้งหมดไม่ให้มันคลาดจากพุธโธขุธโธพุธโธพุธโธโตั้งใจทำเอาเป็นเอ า, าตายคนใยได้ตรงนี้เกิดขึ้นกับพูดตั้งอกตั้งใจทําสักว่าทํานั้นไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกสูมันไม่ได้ ตามรู้ตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากตัณหาคือความอยากมาเช็คมาตรวจสอบดูที่ใจของเรามีความอยากเรามาเช็คเรามาตรวจสอบดูในใจของเรามันมีความอยาก มันเป็นยังไงนาะความอยากลองย้อนมาดูสิมันอยากเกี่ยวกับเรื่องธรรมก็ตามมันอยากเกี่ยวกับเรื่องกิเลสก็ตามตามเรื่อของตัณหาเราพยายามจับความอยากนี้เอาไว้สังเกตสังการจับมันเอาไว้อยากน้ําอยากข้าวอยากน้ําอยากทำนู่นอยากทํานี้เราพยายามสังเกตความอยากมันเป็นยังไงเนาะความอยาก มันเกิดความรู้สึกอยากที่จิตแตมันละเอียดนะเราพยายามหัดดูมันเอาไวา้พยายามหัดดูมาันไาว้ความอยากตามอำนาจของตัณหารู้สึกว่าจะเป็นเส้นเป็นสายเป็นแขนของมันทั้งหมดนับตั้งแต่กิริยาอาการของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจ ของรูปของเสียงของปีนของรถของสัมผัสเป็นกิริยาการที่มันจะพึงแทรกมาได้ทั้งหมดรวมทั้งหมดหกสบกิริยาหกสิบช่องที่มันจะพึงแทรกเข้ามาได้ตัณหามันพลิกแพลนไปตรงไหนมันเป็นเส้นเป็นสายของมันไปโมดกําลังมันมากขนายมหาศาลเครื่องไม้เครื่องมือระบบระบบ ของรูปธรรมระบบระบบของนา ม, มาธรรมมันมีมาเป็นเส้นเป็นสายอยู่อย่างนี้เราศึกษาสี่เหล่านี้เราพยายามดูมาที่เรื่องจริงของจริงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นกับจิตดวงเดียวของเราไ เ, เหตุที่เรามีจิตหนึ่งดวงเนี่ยแล้วก็มีตัญหาอยู่ในนั่น มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมีรูพรุนที่มันจะแสดงกิริยาการความอยากมนแทรกเข้ามาไื่อะมากของความอยากแล้วก็เอาดอกเอาผลไปส่องไปเสกอยู่ในใจของมันตาเป็นที่เกิดของตัญหาเมื่อตัญหาี่เกิดเกิดที่ตาตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ยินดี รู่เกปิยาโลปังซาตรูปะหงโตัปโลเกปิยาโลปังซาตรูปั ง, เ ป, ง, ปงเป็นที่รักใคร่เป็นที่ยินดีไอ้คำว่ารักใคร่กับคำว่ายินดีมันก็เป็นกิริยาการของมันของตัณหานั่นแหละ เชีวหาคานะก็คือจมูกจมูกนี่มันเกี่ยวข้องกับกลิ่นถ้ญหาเมื่อจะเกิดแล้เกิดที่จมูกด้วยเมื่อจะเกิดแล้เกิดที่กลิ่นด้วยเมื่อจะเกิดแล้เกิดที่ลิ้นด้วยเมื่อจะเกิดแล้เกิดที่รดด้วยเมื่อจะเกิดเกิดที่กายเมื่อจะเกิดแล้วเกิดที่โพตพะคือกระทบ สมรกายในชีนี้แปลว่าประสาทกาย اه, เราลองเอามือเราจับ ด, ดูตัวของเราจับตรงไหนเกิดความรู้สึกตรงนั้นนี่ก็เรียกว่ า, า, ากายยักประสาทประสาทกายประสาทกายคือร่างกายของเราทั้งหมดมันจะมีประสาทจับต้องตรงไหนทําความรู้จักทําความรู้สึกทำให้กิดให้เกิดความรู้สึกหมดหมดตัวเล็กๆมาไตามาตอมตรงไหนข้าตาวนั่นเขาเรียกว่าประสาทกาย เกิมาสัมผัสปั๊กมันเค็มมันเผ็ดมันแสบเนี่ยมันคันมันคายนี่เราชอบใจไม่ชอบใจมันเย็นเกินไปมันร้อนเกินไปเราชอบไหมเราไม่ชอบตันถามแทรกเข้ามาวิธีดูดูยังไงไม่ให้ตันหามเกิดเอาสติมาตั้งเอาผู้รู้ของเรามากําหนดจดจ่อลงไป ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสทำกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดผลเหมือนกันทั้งหมดทำความรู้สึกทางตามก็เท่ากับเราทำความรู้สึกกับโรกเพราะผู้รู้คือตัวเดียวดวงเดียวเป็นผู้รู้ มารู้สึกว่ามีรูปเพราะมันมีตามันกระทบรูปมีหูกระทบเสียงมีจมูกกระทบกลิ่นมีลิน้นกระทบรสเราสัจได้ว่ามันกระทบตากระทบรูปก็สัจได้ว่ากระทบเราตั้งจิตกำหนดรูอยู่เราทราบได้ว่ามันกระท บ, ค, าาวะทบความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิด ตัณหาไม่เกิดตอนใดที่เราหลั่งหลวมประกาศสติเราขาดสัมผััญญะขาดการสํานึกสั่งรวมประมัดระวังไถ่ครวนไตรตรองในรูปปับ๊บเกิดความอยากในรูปหรือเกิดความไม่อยากในรูปไออยากกับไม่อยากตรงนี้มันเป็นผลก่อของตัณหามีคุณสมบัติเท่ากันรูปอย่างหนึ่งน่าพึงพอใจเราพอใจเราชอบใจรูปอย่างหนึ่ง ไม่พึงพอใจก็คเคเรรูปไม่น่าจะต้องการเราไม่แสดงความพอใจรูปดีเราก็ไม่แสดงความดีใจมันไม่แสดงได้ไหมไอ้ไม่ยินดีกับไม่ยินร้ายมันแสดงได้ไหมมันแสดงได้ต่อเมื่อเราเจริญมหาสติตั้งสติเราโอยู่เราทดสอบดูได้เลยท่าหาไม่เกิด เรามันจับประเด็นจับจุดเล็กๆเป็นประกายแล้วทำให้เรารู้ที่ไปที่มาของตัณหาเอตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็จะเกิดอย่างนี Ep ้มันมันเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อม่อเมั่อเม่อเ่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมันอเดับไเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเเม่อเเม่เ่อเมามเมื่อเม่าเมื่ม่อเมื่อม่อเ่อเม่อเ่อเมื่อเมืเ่เมื่อเเม่อเมม่เม่อเเมื่อเม่ เพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสติจนเป็นมหาสติตามรู้ต้อยต้อยต่อยต่อ ย, อยคอำห น, นดจดจอ่อคอยจับคอยจ้องกับผู้รู้ของเราเนี่ยที่มันโหดร้ายทารุณอ่ะมันมีคนมีอุบายเพราะมันแพร่พลาว เ, เต็มไปหมดผู้รู้คือจิตของเราเ ตัวนี้แหละ เ, เป็นตัวศัตรูที่ร้ายกามันตกเป็นตัวที่ตั้งหามันเคลือบแฝงมาตั้งแต่กับ ก, กรารปราชติไหนเราก็รู้ไม่ได้หรอกามันเกิดมาแล้วมันรู้มาด้วยกันมันมีมาด้วยกันเราไม่ได้เอาไปรับเอาผู้รู้มาจากใครผู้รู้ทุกเกิดทุกคนเกิดเกิดมากับผู้รู้มีจิตเกิดขึ้นมาด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมาตอนไหนเมื่อไหรเราก็ทราบไม่ได้แต่มันเกิดมาแล้ว มันมีตัญหาติดมาด้วยนี่เรื่องมันเนี่ยโดยเหตุที่มันมีตัญหาติดมาด้วยการเกิดมันก็เป็นผลิตผลของมันเป็นผลิผลของตัญหาการแก่เพราะเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องเจ็บแล้วมันก็จะต้องตายนี่คือเหตุปัจจัยตามมาเป็นรอบๆรอบๆรอบๆรอบ ต, fin, ตัวมันนั่นแหละตัวตัณหานั่นแหละมันทําให้เราเกิดทําไมจริงจริงทําให้เราเกิดเพราะความต้องการของเราลุ่มๆุ m, ๆ่มกําตอดสูงๆงต่ำต่ำไปเกิดที่ดีไปเกิดที่สูงไปเกิดที่ไม่ดีไปเกิดที่ต่ําก็เดือสูงสูงต่าต่ำลุ่มลุ่มนอนนอนทไมต้องไปเกิดเพราะมีเจ้าตัวนี้แหละมันเป็นเจ้ากรรมมันเป็นนายโดเอล อยู่ในหัวใจของเรานี่แหละคือตัวเจ้ากรรมตัวนายเวรตัวนี้แหละเป็นผู้ตัวพาทํากรรมนี่แหละคือเจ้ากรรมเจ้ากรรมตัวนี้เราดูไปเราสามารถจัดการมันได้ถ้าเราชี้ไปชี้ผิดชี้ถูกไมรู้ชี้ไป่ไหนไม่ ร, ร, ร, มมรมู้เจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชี้มาที่นี่เจ้ากรรมนายเวรมันอมแปร่มากับเจ้าตัวตัณหาตัณหาก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัณหา กิริยาไปตามลักษณะกิริยากัารขมันไปสนบับเองแท้ที่จริงคือคือตัวเจ้าตัวเดียวกันเลยอวิชชาตันหาอุปาทานมันเป็นตัวเดียวกันกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานมันตัวเดียวกันคราวใดที่มันกระทบให้เกิดราคะให้เกิดโทสะเนี่ยมันก็เศร้าหมองละ ความเศร้าหมองของมันของจิตของผู้รู้นี่แหละที่เรียกว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้ามองมันไม่ของมันไม่ใสมันเศร้ามันมองถ้าเป็นกระจกกระจกมัวมัวดูอะไรก็ไม่ออกตราบใดที่สิ่งเหล่านี้มันก่อในหัวใจของเราทาให้เราเห็นสภาพเราข้ามตัวเราไม่ชัดเจนเศร้าเศร้าเศ้ามองมองมองืดมืดทึบทึบเหมือนคนตาฝ้าตาฟาน ต, ตาไม่ดีหรือมีมันมีอะไร ที่มันไม่ค่อยจะใสจะชัดจะเจมนมมาพรางตาเราเอาไว้ท่านจึงบอามันไม่มันไม่ใสมันไม่ผ่องมันไม่ใสแต่ตรตาไปกิเลสเหล่านี้มันไม่มากรุ่มลมในหัวใจของเราใจเราเพื่อเริ่มผ่องเริ่มใสเช่นอย่างเรานั่งภาวนาแล้วใจเราสนุกใจเราเริ่มอยู่กับอารมณ์เดียวใจเราจะเริ่มผ่องจะเริ่มใส จิตสงบนะั่นแหละคือจิตผ่องใสดูไปที่ตัวของมันนะดูไปที่ผู้รู้นะดูเหมือนมันมีความสว่างสว่างสอยอยู่เพราะเห็นในความผ่องใสของมันอยากให้ผ่องใสอยากให้ใจผ่องใสเราต้องภานาะให้ใจสงบเมื่ อ, อไรจิตของเราเริ่มสงบจิตของเราจะเริ่มผ่องเริ่มใสมีแสง แฝงพราวในตัวเองมีความสุขมีความอิ่มเบิกมีความอบอุ่นมีความหวังพึ่งหวังเป็นหวังตายมีความอัจฉรย์อยู่ในนั้นทั้งหมดแค่เราเอาสติมากํากับไม่ให้จิตของเรามันว้าหุ่นไปกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องคึงื่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสให้มันมาอยู่กับคําที่เป็นธรรพุทโธพุทโธพุทโธเป็นวิตกเป็นวิจาร วิตตกก็ค hmm. ือตรึกขึ้นมาพุทโธวิจารณ์ก e ็คือจ like ับความรู้สึกนั้นประคองแต่เรียกวตรองวิตตกความเกิดวิจารณ์ความตรองพุทโธแล้วประคองพุทโธแล้วประคองประคองจนพุทโธอีกตัวหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาพุทโธจากพุทโธตัวหนึ่งไปถึงพุทโธอีกตัวหนึ่งประคองไปจนถึงอีกพุทโธประคองไปพุทโธแล้ประคองไปอีก ไม่ให้มันขาดช่วงพราขาดช่วงพับขาดความรู้สึกขาดสติขาดความตั้งใจตัณหาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแป๊บเดียวดึงจิตเราไปใช้แ้วแทรกเข้ามาแป๊บเดียวดึงจิตไปมันก็จิวิบแล้วล่ะตามมันไม่ทันตามมันไม่ทันดอกตัณหามันเกิดเกิดที่ตาเอาอ า, ายตนะภัยภายไหนเกิดที่รูปเสียงอีกพวกปัฏฏวัฏธรรมรม อาณาจักรภายนอกเกิดที่วิญญาณกระทบวิญญาณตรงนี้เป็นวิญญาณขันมันกระทบตากระทบรูปเกิดความรู้แจ้งทางตาที่เรียกว่าจากักขุวิญญาถ้าเราขาดสติปัญหาแทรกเข้ามาตรงนั้นแหละจกักขุโสตคานาสิวหากายายกายวิญญาณมนโนวิญญาณถามแทรกเข้ามาทุกกิริยการที่มันมันจะโผล่มาตรงไหนก็ได้ 60กิริยาอาการ60ชอร่อง6รูผลิตภัณฑ์ผลิภัณฑคือการกระทบตากระทบรูเนี่ยอายตนาภายในอยุทยนาภายนอกรูปเป็นอายุนาภายนอกตาเป็นอายตนาภายในกระทบรูปอายตนาภายนอกกิริยาเหล่านี้มันเกิดชึศเดียวทั่วถึงกันหมดเป็นฝันสัจเป็นเวทนาเป็นตัณหา เป็นอุปาทานแต่เวลาเรามาแยกเรามาักแยกไล่เป็นเป็นส่วนเป็นส่วนแต่เวลามันทำงานชึก้กเดียวมันถึงกันหมดชึ้กเดียวถึงกันหมดชึ้กเดียวถ้ามีสติกาหนดจอดจอ่อรูปัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะสติตัวสติตัวตั้งสติตัวนี้เราเ อ, าอะไรตั้งเราก็ใจเร า, เามาตั้งตั้งสติ สติขึ้ความตื่นของจิตความโปร่งของจิตความเบาของจิตความสว่างสวยัยความปลอดโปร่งของจิตความรู้ของจิตชัดเจนที่สุดเต็มร้อยหรือเป็นพันกับเป็นพันสว่างเต็มที่บางคราวเราดูไปที่จิตของเราจิตมันจะจางจางจิตมันจะมวัมวมวัวมมันไม่ค่อยมีสติมีสมาธิญยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติของเราเป็นอาจินรักกรรมไอกินวนัทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนย่าตั้งสติอยู่นั่นแหละตั้งสติเพื่อกำหนดจดจอดจากเอาเจ้าตัวตัณหาเนี่ยที่มันจะบดึงจิตของเราเป็นใช้วิธีนี้เป็นวิธีต่อ ก, ก่อตามหลักมหาสติปัฏฐานทาจนเชื่องจนชินจนจิตของเรามีมีลำลังเป็นมหาสติ เอาสติเป็นพื้นเอาสติเป็นบาตเอาสติเป็นฐานเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่พุทธเจาท่านสอนมาให้เรามากำกับจิตของเราจะภาวนาบทใดวิธีใดก็ตามขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับ ส, สัมปชัญญะนี่แหละสัพุธโธพุธโธจะธรรมโอธรรมโอจะสังโฆสังโฆจะพองเนยุบเนอจะอะไรจกสัมมาอรหัง วิจกักตกำหนดดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังต้องใช้สติทั้งนั้นเราย้อนมาดูสติในจิตของเราพยายามทําความรู้จักกิริยาการของสติสติคือกิริยาการของผู้รู้ของเราเลยเกิดขึ้นกับจิตตั้งอยู่กับจิตดับไปพร้อมกับจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพร้อมกัน แต่หามันตื่น ร, รู้อยู่ตัวสติตัวสัมจัยสติคือความระลึกได้จิตของเรามันจะระลึกได้เป็นขณะขณะขณะขณะขณะมันระลึกได้อย่างไงเชันอย่างเราตั้งใจบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่คือเราระลึกเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเนขณระลึกได้ด้วยการตั้งปกตั้งใจไม่ใช่แล้วแต่ตามบุญตามกรรมแล้วแตมันจะพาเราลึก เราต้องการให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นเรื่องของสมถะเราพิจารณาหลายๆอารมณ์ตามกระดุกกระลิกพลกแปรของกิริยาของรูปธรรมก็ตามของนามธรรมก็าตามยักย้ายผันแปรไปตามกิริยาอาการฟางเคลื่อนไหวเ ป, เป็นเรื่องของผิปเสนาอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของผีปเสนาเป็นอารมณ์ที่เราดรั่มฤทิ์ภายในใจดั่มฤทอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธ เกอยู่ในแหละไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นจิตสงบแน่แน่แนอยู่แต่กับคาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธจนจิตมันไม่ดําำฤิมันที่งวิตกมันที่วิจารไม่ต้องกระทบกระคอมไปอยู่ทิ้งวิตกทิ้งวิจารอยู่กับความเอิบอิ่มที่จะเรียกว่าปีติปีติอยู่กับความเอิเอบอิ่มอันสืบเนื่องมาจาก อันสืบเนื่องมาจากเอกขตาเอกะกะตาคืออารมณ์หนึ่งเดียวถึงแม้ว่ามันจะหยุดบริกรรมไปแล้วจิตไปยังนิ่งแนบแน่นเชื่องอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันอิ่มในขณะที่เราป้อนไปป้อนไปป้อนไปมันไม่ต่างเราเอาข้าวปากข้าวบริโภคข้าวเข้ า, ขาปากหนึ่งคำสองคำสามคำ บริโภคไปบริโภคไปบริโภกไปมันก็อิ่มไม่ต้องใส่เข้าไปอีกแล้วไม่ต้องใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็ไม่หิวมันหายหิวทำามยังหายหิวเพราะมันอีกใจของเรามันอิ่มคาบริกรรมเหมือนกันพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่และพุโทโธมันปลุกสติของเราให้ตื่นปลุกตัวจิตปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ พยายาท่นจะให้เราอะพุทโธจากพุทโธหนึ่งไปครับอีพุทโธให้ระวังความระมระวังมันเป็นการสำฟังบอดมันเป็นการสํารัว ม, มันเป็นการสังปรดพยายามทําให้เกิดเราอยู่กับอารมณ์เดียวมันเป็นเรื่องของสมถะคือความสงบคือสมาธิอยู่กับลหลายๆอารมณ์จ่านอยากเรตามดูจิตจิตเรารักจิตรารักก็เอาจิตเรารับรู้ว่ารัก จิตหยุดรักรู้ว่าจิตหยุดรักจิตนิ่งเฉยก็รู้ว่าจิตนิ่งเฉยจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธจิตหยุดโกรธก็รู้ว่าหยุดโกรธจิตไม่มีกิริยาการแห่งความโกรธรู้ว่าไม่มีกิริยาการแห่งความโกรธการพิจารณาจิตตามอาการเหล่านี้แบบนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนามันรู้ไปพร้อมๆกับที่เราตั้งจิตกับกิริยาการของจิต เป็นเวทนาพอมาถึงเวทนาปั๊บปัญหามันจะสวมรอมาง่ายๆมันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูที่เสียงที่กลิ่ยนที่รถที่สัมผัสมันเกิดที่วิญญาณจักปูวิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณสิวาิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณมันพร้อมที่จะเกิดในทุกกิริยาการเพราะมันที่มันเกิดจะแล้วก็พัดสั ไอ้วิญญาณกับผัสสะมันกน็อันเดียวกันะมันก็นสืบเนื่องมาจากตากับรูปยุทธนาภายนอกอยุทธนาภายในผัสสะต่อมาแล้วก็เกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเป็นเรื่องของเวทนามาถึงเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของเวทนาจากขุดสัมผัสเฉชาวเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากจิตของเราไปสัมผัสกับรูป จิตของเราไปสัมผัสกับรูปจะคูสัมผัสสศษชาวเวทนาเกิดเวทนาขึ้นมาโสตคานสีหกายะมโนสัมผัสสศษชาวเวทนาคำว่าเวทนาก็คือหนึ่งความยินดีสองความยินร้ายคือคุณลักษณะเกณฑ์กิริยาการของจิตที่มันเกิดขึ้นเห็นปะ ไม่ใช่มันอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆมันก็เป็นอุเบกขาถ้ามันรู้สึกยินดียินดีกับอะไรกับรูปกับอารมณ์ที่เรากระทบเนะ่ยยินดีปับ๊บเกิดเกิดความยินดีในรูปสมมติว่าไม่ไม่ยินดีรูปไม่น่ายินดีรูปขี้ิ้วขี้เรรูปไม่ต้องตาต้องใจเลยไม่พอใจนี่เรียกว่ายินร้ายไม่พอใจไม่ยินร้ายถ้า ปัญหามันมายืนโร่ำทางานในหน้าที่ของมันเนี่ยถ้าตัญหามันยืนโร่ำทางานในหน้าที่ของมันหนึ่งไม่ยินดีก็ต้องกินร้ายสองไม่ยินร้ายก็ต้องยินดีบางทีมันโมแตงมันโมแตเซอร์มันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันเฉยอยู่แต่มันเฉยพร้อมจะเอียงไปเพื่อยินดีมันเฉยเพื่อจะเอียงไปพร้อมยินร้ายนี่คือปัญหาเกิด ในขณะที่เราตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเพราะตัวอารมณ์ที่มันจะไปแทรกในหัวใจของเราในจิตของเราที่จะทำให้จิตของเรานี่มีความชัดเจนที่สุดได้แค่ครั้งละหนึ่งอารมณ์ถ้าเป็นสองเป็นสามเป็นสี่อารมณ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันพรา ม, มัวไปหมดแลยไม่มีอะไรชัดสักอยาก่างไม่มีอะไรชัดเจนสักอยาก่าง เอาอะไรเป็นตุเกันตัดไม่ได้สักอย่างสมมติว่าเราพยายามจะทํางานหนึ่งสองสามสี่ให้เกิดขึ้นในขณะเดิมลองฟังดิไม่เช่เราลองเอาเครื่องเอ็มพีสามมาตั้งหนึ่งสองสาสี่เครื่องอันนี้เปิดเสียงอย่างนึงอันนี้เปิดเสียงอีกอันนี้เปิดเสียงอีกอันนี้เปิดเสียงลองฟังดูฟังแล้วมันจัดใจความอะไรได้สักอย่างไหมเพราะมันหลายหลายอารมณ์แล้วมันจับไม่ได้มันชัดเขียนไม่ได้สักอย่างเพราะจิตของเรามัน โรออยู่กับอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดแค่ครั้งละหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสติของเราเต็มแปร่ร้อยเปเซ็นมีสติกำลัง จ, จอดจ่อเต็มแปร่หนึ่งเดียวยังอื่นมันถึงเกิดไม่ได้สังหาราคะอะไรอิจฉาเสียพยาบาลอะไระแทะเข้ามาไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้นี่คือวิธีการที่เราทำเพื่อ ให้รู้เท่าทันความเป็นไปความเป็นมาของกิเลสตัณหาหัวใจเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจิตใจของเราเพราะมันเป็นเรื่องระดับพระระดับชาติเราตั้งใจระมัดระวังได้ดีเราได้กัดได้ํำเราไม่ได้ตั้งใจระมัดระวงังวันคืนล่วงไปเราได้แตบกิเลสเพราะเราไม่ได้ตั้งใจระมัดระวงังมันอยู่ตรงนี้ มันยุ่จบตรงมาเลียวหัวต่อตอนนี้แค่นี้แหละนี่คือคือเวทนาเวทนาอ่าเวทนาเวทนาเวทนาเสร็จสัญญาผู้ถือเรื่องสัญญานับตั้งแต่สัญญา สัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารห้าหมวดข้างหลังเนี่ยห้าหมวดข้างหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นและมันเป็นเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกมันไม่ใช่อายตนะภายในมันเป็นธรรมอารมณ์ทั้งหมด ที่มันฝังอยู่ในหัวใจนับถือสัญญาความจำได้หมายรู้ท่านหาพร้อมที่จะแทรกเข้ามาสัญเจตนาความคิดถึงสัญเจตนาสัญญาความจําได้หมายรู้เจตนาความจงใจความคิดถึง สัญเจตนาความจงใจพร้อมตันหาสัญญาสัญเจตนาตันหายังมีคือความอยากถ้าความอยากตนนัวนี้มัวแ่งตันหาไม่มายังถือว่ายังไม่สมบูรณ์ยังขาดความสมบูรณ์ก็ะันจะต้องมีตันหาลอยๆโดดๆเข้าหมันมันมีความอยากโดยอัตโนมัติเขาหมันมันโผลเกิดขึ้นมา เกิด ค, ความอยากอยากมาก็จับความอยากนั้นต่ออ่าเป็นเครื่องเชื่อมประสานเดินไปทางเดินของกิเลสไปแล้วสัญญาตันหาแล้วก็วิตกวิจารวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองคือนึกคือคิดคือทั้งหมดมันเป็นกิริยาการของกิตทั้งหมดแต่เราจะแยกแยกไปตาม มันเป็นธรรมะสิบหมวดที่ท่านเอามาไล่เราซึ่งเป็นสูตรไปเห็นหนังสือสวดมนต์ของจบับปุ้ยแสงฉายเขามาทำปัยยาหน่อยอ่าย่า อ, อย่า ง, างจักคุ้งโลเกปิยะรูปังซาต ร, รูปังเอเทศาตันห้าอุปัชมานาปัจจิติเอทะนิวีสมานานิบีสติ ปัจมานาปัจตินิพพีสมานานิวพีสติเขาจะมาทำปัยยานเอาไว้ละไว้ละไว้เก้ารอเก้าเนี่ยเคาเรียกปัยยานวิธีทำปัยยานเกี่ยวกับเรื่องสมุทยกับมีโรดสองอย่างนี้มาทำปัยยานเอาไว้ละไว้ในฐานที่ว่าเราเข้าใจแต่ที่เราไม่พาละพาสวดหมดเลยสวดจนมันจได้คล่อง ใคหัวดีเนี่ยส่วนรอบเดียวจําได้เกือบหมดแล้วมันก็เปลี่ยนเปนหัวขอนิ่งๆเวลามันเกิดเกิดที่ตาที่หูท go, ี่จมูกที่เล็กที่ที่กาที่ให่อุปัจฌมานาปัจจติ์ังอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกเล็กกายใหญ่นิวีสมานานิสตินี่คือบทบทบทสมุทัย มุทัยเกิดไม่จะเกิดเกิดที่นี่ไม่จะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่นี่ทีนี้มันมันสืบเนื่องกับฟวามดับปัญหามดับนิรุจชะมนานิรุจจติอุปัติอุปัตชมานาอุปัจตินิรุจชมานานิรุจจติไม่จะดับก็ดับตรงนี้ตรงตาตรงหูตรงจมูกตรงลิ้นตรงกายตรงใจยังไงมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้ เมื่อจะดับก็ดับตรงนี้เมื่อจะเกิดเือเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงตาตรงหูตรงจมูกตรงนิ้วตรงกายตรงใจความรู้สึกอยู่กับตรงไหนระวังมันแทรกเข้ามาระวังมันแทรกเข้ามาอะไรเป็นตัววัคซีนที่ไม่ให้เชื้อโรคตัวนี้มันติดเข้ามาสามารถกันมันได้ให้มันเกิดขึ้นทุกยา กริยาอากาขก็มันอะไรคือตัววัคซีนที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้มันติดเหมือนก็เชื่อโรคที่จะมาเกาะเราเรามีตัวตั้นฐานตัวสตินี่เองพยายามตั้งสติเข้าไว้ให้จิตของเราตื่นรูอยู่นี่เป็นแนวปฏิบัติชั้นเ ย, ยียมพยายามศึกษาเกิดความเข้าใจ การที่เรารู้เท่าทันตัญหาดับไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งทําให้เราได้กำลังใจยิย่งเราศึกษาให้รู้ว่าที่เกิดก็มันเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ตั้งอยู่ของมันตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีเราทําให้มันเกิดธรรมะที่ทํำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็นคือพยายามตั้งสติทำตื่นรรู้ ถ้ามันตื่นรู้อยู่มันก็ความสว่างเนี่ยขโมยมันไม่กล้าเข้ามาดอกกระจน ข, ขโมยกระจนไม่กล้าเข้ามาสารพิษไม่กล้าเข้ามามูเห่าจงอางไม่กล้าเข้ามาดอกลุกสมุนของตันหาราคามันไม่กล้าเข้ามาใ น, นเมื่อจิตสวา่างรู้อยู่แล้วมันไม่กล้าเข้ามาตัวนี้เป็นตัวเป็นยาวัคซีนชั้นเยี่ยม ดีเยี่ยมดียิ่งดีเลิศจนสามารถระงับดักมันได้ศึกษาไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปด้วยความจำเจกับการกับงานของเราทําให้สติของเราทําให้จิตของเรามีเครื่องป้องกันมีเสื้อกราะป้องกันตัวสติตัวสัมแกนยันหละเป็นตัวเกรอบคุ้มกันเป็นตัวกรอบป้องกัน ไปดูไปศึกษาให้เข้าใจและในขณะที่เราเจริญกรรมฐ า, านไปมันมีมันแทรกเข้ามาต้องรู้ต้องทังนมันจะออกมาเล่นงานมาันซะก่อนมันแทรกเข้ามาปุ๊บปุ๊ล่วงไปสองสามขณะจิตอมึง ม, มาเข้ามาแล้วตั้งตัวได้มันขายไปแล้วหายไปแล้ ว, ลวพุะโธพุะโธพุะโพธมันแทรกเข้ามาปะ ถ้าจิตเราไม่เร็วจิตของเราไม่เร็วสมุจัญญัษของเราไม่ดีสมาธิเราไม่แน่นหนามันของพอมันมาหลอกจิตของเราไปตั้งสิขณะจิตก็ยังไม่รู้จักถึงแล้วก็ตามเดี๋ยวเราพอรู้ทันพอรู้ทันเราก็พยายามดึงคือมาตั้งหมรูนะ้มันมันก็ลดจะลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยแปลขณะจิตเจ็ดขนาดจิตหกขณะจิต ค, คือความเร็วของจิต 3ขนาจิตสองขนาจิตหนึ่งขนะจิตหรือไม่มันไม่มีข้ังเผลอเป็นขนาดเลยแหละมันรู้ตลอดอยนั้นมันไม่โผล่มาเลยศึกษาแล้วก็ไปดูไปพิจารณาเอามากากับกับการตั้งใจภาวนาของมันของเราเพื่อไมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมมาและมาเล่นมาเล่นเล่นงานจิตของเราอย่ง คนคนภาษาเลียเลิกสองสองามาันอีกภาษาเขาบอกภาษามีใครจะตั้งอกตั้งใจมากน้อยเท่าไหร่ตลวดระยะเวลาที่ทํามาได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมมามีอะไรเป็นกาลังเป็นเรี่ยวแรงที่ทําให้เราพึงพอใจบ้างตลอดระยะเวลาที่เราทํามาอดหลับอดนอนก็อดหลับแล้วอดนอนก็อดนอนแล้วอดอาหารก็อดอาหารแล้ว ตัวผนแปลกปลาดกอัจริยที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรเป็ น, อ ะ, ปนอะไรเป็นที่พึงพอใจให ม, มปวดหลับปวดนอนจนจะพารถเข้ารกเข้าพองก็อดแล้วเอาต้นไม้เป็นเปรกเอาเสาไฟเป็นเปรกก็เอามาแล้วฮ่ ตลอดนี่เป็นวิธีการที่ดีที่เยี่ยมที่เลอร์ที่กระเสริมมันใกล้จะออกพรรษาแล้วละใหม่บางองค์คิดถึงจะเริ่มสศึกนะทิ้งข้อวัดที่นั้นที่นี้ที่ไม่ได้ต่อบใดที่ยังอยู่ศึกษาตั้งกฎตั้งใจทำเหมือนเดิม ม่ใช่ไปทอดที้งเดี๋ยวเราจะจบแนละ้วเดี๋ยวเราจนะเสร็จแล้วเนี่ยไม่สนใจทิ้งนูน้นทิ้งนี้ไม่ได้เราจะออกปรรษาเนี่ยต้องที่ยงนะสั้งคำพันธ์เตปวารีมิตรเทรวาสเตรนาวาไปสร้างกา ย, ยวาก็ะดันตุมังว่าคนเดียวซะด้วยนะไม่ใช่ว่าป้อมกันเหมือนเข้าพรรษาว่าไม่ได้ไม่ได้ออกปรรษาอยากสึกไม่ได้สึกเพราะมันไม่ได้ออกพรรษา ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้โมหัวนะว่าคนเดียวเลยลุติยังปี่พันเตสังคังปวาเรเอมิตรีนวาสุเตนวาปริสังกาย ว, าวะวักดันตุมังอายัตมันตวนุกัมปังอุปาดายะปัชชะโตปติกริษสาอามิใคยังไม่ได้เปท่องนี่คือคําปวารณาเราไม่ต้องฟังปฏิโมกเราไม่ต้องสว่ปฏิโมกแต่เราปวารณาแทน การปวารณาแปลว่าวการยอมให้ว่ากล่าวให้ตักเตือนกันได้ผู้ใหญ่ก็ยอมให้ผู้น้อยว่ากล่าวตักเตือนได้ผู้น้อยก็ปภารณากับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนได้ซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นวิธีปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พุทธเจ้าทังสองประทานมาดีเยี่ยมเพราะาศาสนธรรมของพระองค์เป็นาศนาสนธรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอาศัยคนหนึ่งรู้ มีความรู้มีความเห็นกับคนหนึ่ ง, งโง่เคลาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาศัยบอกกันแนะนเตือนกันแล้วก็ฟังกันอาศัยความเมตตาแล้วก็บอกกันอาศัยความขอบบุญขอบคุณแล้วก็ฟังกันผู้หนึ่งบอกตั้งใจบอกด้วยอาถรรพด้วยธรรมไม่ใช่บอกด้วยอิจฉาทิสยานะเอากิริยาเหล่านั้นไปใช้ไม่ได้ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมนี่เป็นโทษเจ็ดอย่างเห็นเขาโอ้พระองค์นั้นไม่รู้เรื่องนะสมมตุติพระานั้นไม่รู้เรื่องอไปหยิบใบ ไ, ไม้สดๆจากต้นเนะี่ยเดินมาเล่นมาปีกมาอะไรต่ออะไรเล่นเนี่ยหรือไปนั่งเอาอะไรเนี่ยจิกที้เล่นเนี่ยต้องอําบัตไปตีดึงใบไม้ค่ะต้องอําบัตไปตีผิดวินัยเนี่ยคนที่รู้ว่าผิดวินัยกรับต้องบอก ถ้ไม่บอกถ้าปราบตุกตุกฎเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตามไม่บอกปราบอบัตุกตุกเห็นไหมปราบแต่ผู้ที่ไม่บอกนะพระองค์เห็นความขัดขันของการประวารณาการบอกการกล่าวการตักการเตือนกันซึ่งเป็นการพยุงกันนี่คือาศาสนาธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของกเกเรแล้วใครเป็นลูกใครเป็นลูกคลำไม่ได้บาดมือบาดจิตบาดใจ นี่คือคนถือตัวมีแตทิฏฐิมานะเต็มแปร่ข้างในไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมเหมือนลมมันเข้าไปดังทุบปองนะั่ะลอยทุบปองตุบปองด้วยด้วยน้ำของลมเวลาเขาเปิดปากออกแพ <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในหินตรงนะั้นคนที่ถือเนื้อถือตัวการลดละเลอิออัจฉริมานะการถือเนื้อถือตัวจึงเป็นคุณธรรม แต่วกเราหวงแล้วเกินถนอมแล้วกินถนอมสิงเหล่านี้กลัวเขาจะมาลูกกลัวเขาจะมาคลํากูัเขาจะมาเหยียบย่ํากูัเขาจะมาทําลายส ก, กิร์ตสกักสีสักสีอิเลสสักสีตันหาไปสมวนเอาไว้เหลือคนเหลือแท้มันไว้ทำไมเหลือคนเหลือแท้มันไว้ทําไมมันเป็นตัวสมุทรไทยนํำกองทุกกองทั่วมาทับถมง้อใจครับ เราฟังแล้วเราต้องตั้งความเครียดแค้นนะัะนเก่มันไม่ตั้งม ไ, ไม่ได้หรอกไม่มีคู่ต่อสู้ดูกิริยาการของมันที่มันแทรกเข้ามาเป็นอีกนั้นเราเครียดแค้นเครียดเกียดแค้นนั้นคือจิตดวงนี้ชี้ชารให้กับจิต ด, ดวงนี้ยา้าตอก่อนกับมันด้วยสติด้วยสมัมปชัญญะเพื่อให้เราท้อทันความเป็นไปความเป็นมามัน เพราตัวนี้แหละเป็นเป็นจ้าเจ้าตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวอิจฉาตัวเสียตัวพยาบาทมันมากับตัวนี้ตัวหัวนําของมันแท้ๆก็คือเจ้าความอยากแทบขึ้นมาความอยากเกิดที่ใจใจคือความอยากปัญหาเกิดที่ใจแต่ว่าความอยากตามนักของเยี่ยนั้นมันอยาก อยากปีนเกลี่ยวกับสศีลกับธรรความอยากอยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากทำจิตให้ได้รับความสงบอยากพิจารณาเกิดปัญญาอยากได้มักได้ผลอยากได้ทำความอยากนี้นําผลมาไม่เหมือนความอยากตามหน้าของตัณหาอยากตามหน้าของตัณหาสีตามมากองทุกตามมาเอาสิเป็นค่าสาติ ค่าขัดค้าซักเล็กจัดใหญ่ค่าคนเราค่าคนเราลูดีอะไรตามมาผิดชินด้วยผิดทำด้วยผิดกฎหมายบ้านเมืองเ่ย <_ C 1> ผิดขั้นรุนแรงจับไปประหารชีวิตนะผิดถึงขั้นนั้นระดับนั้นผิดไม่ถึงขั้นนั้นเอาไปขังตลอดชีวิตไม่มีสกภ า, าพอะไรถูกต้องค่ มันนึกมันคิดมันปีนเกี่ยวกับศีลกับธรรมเป็นเรื่องของกิเลสตัญหามันนึกคิดเป็นไปตามอานาจของธรรมเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุติเพื่อวิมุตเพื่อหลุดเพื่อพนเพื่อวิมุติวิโมกจึงอันนี้มันเป็นความอยากโดยธรรมถ้าเราเจริญคือถ้ากําลังของความอยากโดยธรรมไม่ไม่มี ความอยากโดยกิเลสมนก็ดึงไปข้างเดียวโดวยเห็นที่เรามีกำลังสองกำลังเนี่ยมันต่อสู้กันในหัวใจของเราเราจึงสามารถมาต่อกรกับกิเลสได้เรามาสั่งสมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือ่องอนาของธรรมเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบตกพุทโธพุทโธพุทโธมีเป็นเรื่องของธรรมในขณะที่เราประกอบลงไปมันเป็นกรรมคือการกระทา ผลรายได้ตามมามันเป็นเรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากสองข้อนี้พยายามจําเอาไว้มันเป็นแนวคิดใหม่ที่เราควรตั้งเอาไว้ในจิตของเราพุโทโธพุโทโธโออั น, นี้เป็นเรื่องของธรรมในขณะที่เราทําอยู่น่ะมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทําผลรายได้ ในเมื่อเราก็ทําเหตุลงไปแล้วผลไรายได้ก็จะต้องตามมาเป็นวิบัติวิบาแิแปลว่าผลของกรรมผลของการกระทําแต่ถ้าหากเราไม่ดำริเรื่องทำกิเลสมันผ่านดำริทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับฝันมันก็ยังผ่านนึกคิดกิเลสถ้าเราปล่อยจิตของเราตามบุญตามกรรมของกิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบาิผลไรายได้เป็นเรื่องของกิเลส ตราบใดผลได้ได้เป็นเรื่องของกิเลสเบาไปเบาไปเ บ, าไ ป, บาไปมีแต่ผลไร้ไร้ของธรรมธรรมมีกําลังมากกว่าการที่มันจะ ด, ดําริเรื่องกิเลสมัน ด, ดําริไม่ได้มันก็ ด, ดําริแต่เรื่องธรรมหนส่วนปัญญาได้อ น, นี้มีความสําคัญไปนึกไปคิดไปค่อยๆคุ้นไปจิตต่อดดีเราอยากเพิ่มภูมิบุญกุศลเข้าสู่หัวใจของเราพยายามตั้งจิตไว้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อสังเกตสังกากิเลสหรือปล่ากิเลสหรือเปล่าที่พาเราทํากรรมคนเราเวลามันสุกลงมาแล้วเหลือแค่กายกรรมไม่จีกรมกรมโนกรรมหรือ แ, แค่กรรมสามกรรมนี่ไอสองกรรมแรกเนี่ยสงบระงับด้วยการตั้งใจ ร, รักษาสิ่กายกรรมไม่จีกรรมสงบระงับด้วยการตั้งใจ ร, รักษาศิลงเพราะฉะนั้นศิลงจึงเป็นข้อปฏิบัติมันจะนับถเฉยแล้วไม่เอาไปปฏิบัตินะ อยากฆ่าอยากแกงอยากนุ่นอยากนีอก่อยากเล่นอะไรผิดศีลผิดธรรมเท่าไหร่ก็ไม่สนใจไม่ได้สำรวมไม่ได้ระมัดระวังด้วยที่เรามีศีลมีธรรมเราสำรวมให้กายกรรมของเราไวจีกรรมของเร า, า, รร ม, เรามันเป็นกายัทุตจิตเป็นไวจีทุตจิตทุตจิตประวัติชั่วโดวยกายชั่วโดวยวายจามผิดศีลท่านึกคิดในทางใจ ผิดทำผิดทั้งสินผิดทั้งธรรมจะกายกรรมยะวีกรรมอะไตาง ม, มันก็มาจากจิต ด, ดวงนี้เพราะฉะนั้นมันปัวไร้กาจิเดียวตัวจิตของเรามันเป็นวัตถุเด็กที่เราได้มาเราไม่เคยฝึกฝนอบรมมันไม่เคยซักซ้อมไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมด้วยเหตุที่เราด้อยการอบรมโดยการเอาธรรมะมาอบรมกิเลสมันจึงอบรมจิต ด, ดวงนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดลยทั้งนอน ไม่ให้จิตทรอยู่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมกิเลสมันปกปลอมโดยธรรมชาติเข้ามาันยายากอยากอยากอยากทำอะไรตามใจอยากทําอะไรตามใจชอบเพระฉั้บางคนชอบตั้งนิสัยทําอะไรตามใจชอบทิฏฐิมานั่งถึงรุนแรงถือเนื้อถือตัวรุนแรงทิฏฐิมานะรุนแรงเวลาทุกโทษมันตามมา ก, มก็รุนแรงทุกถึงขั้นไหน เทียบแค้นชีพชังมัดคอตายถึงขนาดนั้นฆ่าตัวตายถึงขนาดนั้นนั่นพิเศษขมัน ม, ามาหาญงบ อ, อกได้ทุกอย่างเรื่องของเกียรติยศทหารชาชาทำของพระเจ้าตั้นให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อลบเพืบเพื่อลัเพื่อเลิกการถือเนื้อถือตัวด้วยการทิฏฐิมานะในเมื่อเรารู้อยู่เรื่องของเกียรติเราไปถึงไปห่วงไปสงวนไปสนอมไว้ทําไม ตั้งใจอดตั้งใจทนรับเอาคุณธรรมตรงนี้เนี่ยวันปวาวนาท่านให้มีลารบอกกันปภาวณาแปลว่ายอมให้บอกเปล่าตัดเตือนเช่นอย่างเขาปภาวณาใบปภาวณาเงินเนี่ยขาถอยปภาวนาขอภาวนาแต่ผู้บัจ้าเท่าราคาห้าบาทแปลว่าเขายอมให้เราขอขอสิ่งขอของได้เท่าเท่ากับราคาห้าบาทอันนี้ สังคับปวารณาในวันปวารณาเนี่ยแต่ว่าอขอเปิดโอกาสให้บอกกล่าวตักเตือนเราได้ท่านก็บอกให้เราว่ากล่าวตักเตือนเราก็บอกเปิดโอกาสให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนแต่ต้องชอบด้วยธรรมไม่ใช่แกล้งกันไม่ใช่อิจฉาที่เสียแล้วแกล้งกันแกล้งกันก็เป็นการสร้างกรรมให้เกิดขึ้นใหม่ต่างหากต้องระวัง บางคนคนถอยชอบเอาของได้เปลียบเสียเปรี่ยนอย่างนี้ไปใช้ในทางที่ผิดคนถ่อยชอบสวมรอยตีฆ่าที่พุทธเจ้ า, าสอนมาในทางผิดๆเอ้ยท่า น, นให้ว่ากล่าวันได้บอกตะเตือนกันได้ไม่พอใจมันโดนฝ่ายใส่เลยพระพุทธเจ้าท่าได้ว่าใช่หมว่าท่านให้ว่ า, า, วาด้วยการตั้งใจทําด้วยเมตตา แล้ถูกต้องตามสินตามธรรมเขาทำถูกต้องตามสินตามธรรมอยู่แล้วเราไปอิจฉาทิษยาไปหาเรื่องกลางแป้งเขาเป็นการไปสร้างกรรมกับตัวเองนี่ต้องระวังมือสองคมเหมือนกันสำหรับคนมีปัญญาคนฉลาดมองเห็นเป็นคมเดียวแต่สำหรับคนโง่แล้วมันได้ช่องมันได้ช่องแลเอาอันนี้ไปถือคอยได้เถอคอยได้คอยได้ฟังสักครั้งหนึ่งเถอะ แหนมันกระยิมยิ้มใจมันฟันเข้าไปถือว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเราฟันเขาเท่ากับเราฟันตัวเราเองเมียดฟันเขามเท่ากับเราฟันตัวเราเองเพราะเราเป็นใช้ผิดปืนเอามาป้องกันตัวแทนที่ยิงเขาฟาดตัวเองเน่เราสําคัญผิดเข้าใจผิด เอามาให้เราพยายามปรับปรุงตัดอกุศลออกจากมวนใจแต่เรากลับเอามาเสริมอกุศลมันก็หาทุกหาโทษให้กับตัวเองพึงระวังทีเดียวพวกเราทุกคนเราอยู่ด้วยพฤติกรรมตัวเองเราจะบริสุทธิ์ด้วยกรรมของเราเราจะไม่บริสุทธิ์ด้วยกรรมของเราใครจะมาช่วยดูแลรักษาเราเป็นผู้ระมัดระวังดูแลรักษาเรา เพื่อทีท่แยกินเราเนี่ยอยู่ได้เป็นไปได้บริสุทธิ์พุดโธได้สมุทัยที่กอดทุกข์กอดโทษในหัวใจของเราคือว่าลดไปลดไปลดไปลด ไ, ไปเพราะเราเจริญสีที่เป็นมรรคมันเป็นเรื่องนาความสุขนาความเจริญมาให้มันเป็นเรื่องบัทฑรสมุทัยรู้ในหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้รอดมากยึดในข้อเดียว มัดอย่างเกยึดไม่ได้ทุ ก, ก็ยึดไม่ได้นี่ร่างกายของเราทั้งก้อนเป็นก้อนทุกยึดไม่ได้ยึดเขาจายึดหมายาว่าอุปาทานพอยึดปักหนางกิเลสพายึดยึดสมุทยัยความอยากการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่พูดตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องไปแยกดูแต่ความอยาก มันอยากยายในหัวใจของเราโอ้นี่อยากอยากเดินชมพงอย า, อย า, ยอยานั่งภาวนามีเป็นเรื่องของธรรมรีบสนับสนุนมันโอ้มันอยากรักโอ้มันอยากอิจฉาริษยามันอยากคโวย่นโอ้นีเป็นเรื่องของสมุทยัยรีบตักรีบตักรีบขอนรีบทําเป็นหลงเป็นลืมรีบเอาหูไปนาวตาไปได้รีบเตะมันถีบมันส่งทันที สงเสริมมันไม่ได้ดอกทุบยึดไม่ได้สมุทัยยึดไม่ได้แม้แต่นิโรธก็ยังยึดไม่ได้นิโรธถ้าเราจะพูดถึงผลของการถือธรรมพระพุทธามปฏิบัติธรรมเอ้ยสมาธิเราดี้อืยนนี้เลยยืดสมาธิอย่างั้นอ่ะมันยึดไม่ได้พรบเพลือเตื่อมอีแล้วพระเพลือเสื่มอีแล้วยึดอะไรได้สักอย่าง ยึดได้มากอย่างเดียวเป็นอุบายวิธีที่เรามาถือเป็นเป็นข้อปฏิปฏบัติให้กับตัวเรามากก็คืออะไรคือทานศีลสมาธิปัญญาก็ตั้งใจความภาคความเปลี่ยนวิริยาสาหาะความดทนความมีเิริความมีโอตรประความมีสติมีสัมปชัญญะคุณธรรมเหล่านี้ส่งเสริมปรับปรุงบำรุงขบไป คนคือความสุขความเจริญมันก็จงอกเงยตามระมาวังจบบันนี้ <c oughs> เอา